อนาปฏิวานพิสูุต่อไปนี้ไม่ต้องอวับคือ525 1้อยยี่สาพิสูจน์ทเตียงตังได้ขนาด2อพิกษุทําเตียงตังต่งกว่าขนาด3าพิสูจได้เตียงตังที่บุญทาเกินขนาดมาตัดใหม่ให้ได้ขนาดก่อนแล้วใช้4ีพิกษุวิกลจริต5้พิสูจต้นบัญญัติมันจะปีทาสิขาบทที่5้าจบ